การแต่จริงดีนะพยายาดูดูสบายๆเคล็ดลับเคล็ดลับทำให้สบายคือใจเราจะพ้นความดูแต่งได้ถ้เราไม่เปแต่งวัตถุศิลป์ลาอีเลที่สะสมไว้ให้คันรู้ใจมกไปตักให้ิตเรานรูจุแต่ทั้ ง, ว, าา ง, งวันนะเราก็อย่ใไช่วยมันดูแต่งถึงเวล า, าคิด อาปิบลน่ะแต่งแต่งเรารับขิดหนึ่งว่าับดอย่างนี้เอย่าไปตำทับให้ตามมุมอย่าไปช่วยเขาแต่งแ้เราไปเรื่อยๆจนใจเก็หยุมุงแต่งนการปฏิบัติ้าหมายที่หนึ่งที่เราต้องไปนะคือละจักรยานขีดีละความมุ่นตัวละความเก็นควเป็นตัวตัว ไม่ต้องรกความเป็นตัวตนวนไม่มีจะได้รักหอกมีแต่ความเห็นผิดื่ามีตัวตนความเห็นผิดว่ามีตัวตนเป็นแความคิดเราสามารถรู้สึกตัวขึ้นมาจริงแเรไม่หลงไปอยู่ในความคิดดวกายใจนจะไม่ใช่เราเลยจริันไม่ใช่เราความเห็นผิดจะเติมมีกระบวนการที่ฉีดต้องตัดสินความรู้มันก็มีกระบวนการทางาน รวมงไปเห็นความเกิดับเกิดับเกิดับอยู่ไหวขึ้นมาในใจสองขาะสามขนะตัดเรียนขยันเรียนไปทำมันด้ที่ช่วยมันดูให้คุณใส่ออกสบายทำกรรมฐานง่ายนดิเราคุ้นสนุกโมกันเีสปัญหาจริงจังจริงจังมาก จริงจักมากนะจะเอาใิเอาใจกัมันมันมีข้อดีข้อเสีย ข, ข้อดีคือเราขะ ย, ยัดดูดูบ่อยๆจะได้ปัญญาถ้อเสีย ค, ค, ค, คือจิตมันทางานไม่เนิกไม่หยุดความหงุดหเราดูสบ า, ายๆนะสบายนะอย่าหลุดไปไนชั้นมะันไม่ใช่เรื่องของเราความมองเห็นจิตไม่ใช่เรานะจะหลุดไปไลยชั้มนมะัน วันไหนที่เเห็นว่าิตเป็นตัวเขาแน่นอนก็ให้เขาิ้นไปเราเราพอเห็นน่องเห็นลอยมันทางานของมันได้เองกระดองคงยัเห็นจิตของมันทำได้เองแต่ก็เห็นเ่าดิ้นทำง่ายเน่ยไม่ิดมากเลยเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ตรงนอกเดี๋ยวเขาตรงในทำงานของเองเราเห็นไปเรื่อยๆว่ามันทำงานของมันเอง มันหนึ่งใจตัดสินความรู้เลยว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันทำงานของมันได้เองทําได้เองคือบังคับไม่ได้นี่ภาตายแขกว่าอนั้นตาบังคับไม่ได้ของเราบางคนก็มองเห็นว่าเออมันไม่ใช่ตัวเรามันขอองค์รู้ที่ก้นั้นตาลเหมือนกันคนก็เห็นวาเออมันบังคับไม่ได้แล้วมันทำงานของมันเองเลยบังคับมันไม่ได้นี่ก็เห็นอันนั้นตามภาตาไทยแปลมาหลายอย่รง เก็มุมไหนก็ได้ใหงแก้วเลยจะให้ใจสลับเข้าไปใจตรงไหนก็ไม่เอาตรงนกก็ไม่เอาเวลาเราลงมปฏิบัติเห็นไหเราก้ไปทางานข้างไหนดูบอกไหมนูนดิตูงสหรือว่าสงสัยแล้วก็ฝพนกว่าสงสัยให้รู้ใสที่ความรู้สึกเราให้ตารู้ควารู้สึก เพราะงั like ้นเราจะลดหลอีเรศรูปความคิดต่งขึ้ที่ยิ่งคิดเดยิ่งคิดิ่งหลความคิดนั่นแหละทำให้เราสร้างความคิดปลงกแต่งขึ้นมาก็เลยทำให้เราไปเห็นว่ากายกัใจเป็นตัวเราเมื่อไรใจดุจจากโลกความคิดรู้สึกตัวสุนัขใจก็ไม่คิดะล้วดุจมังมุจมังจะเห็นใจเห็นใจตามความเป็นจริงไม่ยากหรอกเมืที่เราจะเห็นตาาเป็นจริง เนี่จิตของคนในโลกเนี้ยตั้งแต่เกิดมาเลยจะไหลเลยไหลเข้าข้างในนะตัวดีเลยไหลอยู่ข้างในนะวันก็คือไม่อย่างนั้อแบบเรียกว่าเร า, ารนอนแช่อ ย, อยู่กับความทุกข์เรียกวาเราทุกมันจะเกิ ด, เ, ดเราไม่แช่ใจเราไหล้าไปข้างในนะถ้าปฏิบัติในช่วงนี้ใจเราสมเข้าข้างในถ้าไหลไปคิดคิ ด, คดนึกนึกไปทำในวัตถุทำยีนวรวมทั้งไปปฏิบัติทำเลยนะเราไปทํางานทางใจนะั่นแหละตัวดี เม่เราหลงทางานจนใจจิต ใ, ใจมีภาระตลอดกลางตลอดคืนเราคุ้นเคยภาระนี้เราไม่เห็นว่าเป็นภูมิจิงใจเราเนี่ยรูปอยู่กับอารมณ์ทั้งวันทั้งคืนเรามองไม่ออกว่ามันเป็นภูมิเป็ น, นกว่าคิตเราเนี่ยจะตั้งมั่นขึ้นมาขอบถอยขึ้นมาชัวา่วคราวคือรวมกันมาจากกองที่ถึขงขมดเกลีวยวไันอยู่นะ ใ, นใจเราถึงลงมาเดีย่ยเมื่อไหร่มันย้อนกลับเข้าไปอีก หลาไหลกับก็มีกมันจะเห็นฟู้งชจาๆเลยเห็นเต็มๆเลยวิธีที่ ท, ทาให้จิตใจต่อนขึ้นมาในที่สองวิธีวิธีหนึ่ง ท, ท ำ, ำ, งมำงมสมาธทำาธิาก้วให้จิตสบายหลุดออกจากความเคยชินเก่า ๆ, ๆช่วนณะถ้าเราหลุดจากความเคยินหรือความปรุงแๆๆงนะต่งวุ่ายเก่าๆชั่วขณะทํามราไปจิตไหลลงไปจิตก็จะเห็นฟุ้งช้าเลยเพราะมันเคยผลุ้มาช่วคราว ที่เขาทำสมถะกันที่เรื่องว่าสมถะญาณิคที่ทาําฌานก่อมันมาเดินปัญญาที่หละทำํำด้วยเหตุผลเลยคือพอทํำฌานนี่ติดรูดอกอกจะปวาฟุ้งที่เคยชินเคยแช่อยู่ใจของเราแช่อยู่อารมณ์ลตลอดเวลาแนละ้แช่อยู่คือนักรู้สึกไหมมันไม่เข้าไปคุกยู่ข้งในมันแช่อยู่ข้างในตลอดเวลาเลยมันไม่เคยเลยเพราะนั่นมันไม่เห็นฟุ้งรอกมันแช่ใกล้คนเกิดมาก็เป็นธาตุ ทุกวันฟุทงทำงานหนักกลางคืนกาไปใส่โต๊ขังไว้แะ่เี๋ยวนี้น่าจะเกิดไม่ทุกเท่าไหร่วันไหนกุส่งมาชั่วคราวนะวันนี้เจ้าหน่าใจดีที่ไปเดินพาเลรดอะไรวันไหนไม่ใช้งานมีควอมสุขมความสุขแล้วก็ต้องมาทำงานใหม่โอ้โหเห็นฟุ้มากเลยฟุ้งเยอกว่าที่เคยเห็นงั้นจิตเนี่ยก็มาถอดถอนกลอมาจากกองุกที่มันลงนอนแช่ก็เกิด แล้ว่มันต้อ ง, งไหลกลับหญก็จะเห็นคลุกชัดแค่เห็นคลุกเนี่ยจะทำให้เรารักความอยากนะความมันรู้ว่าไหลเข้าข้างในเราคลุกเราไปเชิ่อให้ไหลเข้าข้างในก็ไม่ไหลนะเพราะมันรู้ว่าไหลแล้วเข้าไปแล้วเป็นคลุกนี่มนมีวิธีสองวิธีที่จะทําให้เราดูดขึ้นมาชัวา่วคราววิธีหนึ่งทําสมาธิจิตตั้งมั่นขึ้นมาเรียกัมรอย่างติวิธีหนึ่งรู้สึกตัวขึ้นมาใจเราไหลออกไปใจเราส่งนอกสง่งอะไรจิตใจเราเคลื่อนไหวอะไร รู้ทันถ้าเรารู้ทันสภาวะนี้จิตมันจะตอบต่อเองขึ้นมาหลออกมาจากอารมณ์ที่ลงไปนอนแช่ช่วคราวอย่างเรารู้สึกไม่เวลาเรารู้สึกตัวขึ้นมาได้แค่เราตื่นขึ้นมาเราลุกออกมาจากโลกภายในเป็นโลกของความคิดออกมาาใจเราไหลแบบเข้าไปในโลกของความทิศตรงความรุนแรงเราจะเห็นช่วงนี้ว่หลักอันเดียวแบบที่ารา สมาธิญาณิกหรือวิปัสสนาญาณ้กทำจริงๆแล้วก็ทาเพื่อให้จิตมันพ้นออกมาจากของทุกข์ชั่วคราวมาเนคนทุกขชั่วรามาไหลมก็หยไม่จะเห็นทุกข์ชัดมาเห็นทุกข์ชัดเห็นทุกข์แจ่แจ้งนะโอ้มาทุกข์เกิดเพราะจิตส่งเข้าไปอย่างนี้เองมาเห็นทุกข์แจ่มแจ้งอย่างนี้จิตู้ฉลาดจิตก็ไม่ส่งเข้าไปจิตรู้แล้วว่าความทุกข์เกิดเพราะว่าเป็นพยาธิเป็นยึดนัวเองพยาธิเขาเป็ําเนินไห วิชาเร า, าดูร้านไปตรงนี้เกิดความรู้ความเข้าใจความคู่งเกิจจเนนดจากที่เราสมเข้าไปทํางานภายในนี้จะเข้าไปนอนแช่อารยศาสตร์การเรียนอริยศาสตร์ไม่ว่ามีวิชาทาลายวิชาไปพรอพอฉลาดคิดมันฉลาดรู้ว่าความคู่เกิดเราลงเข้าไปแช่ปัญหาก็เลิกเลยไม่มีปัญหาอาวิชาขาด มันฉาลาด้วนี่มันรู้แล้วถ้ายึดพยาไปมันจะทุกข์ไม่ต้องท้ามันก็ไม่ลงไปเพราะนที่คุณสดองดูไปดมันต่อตง้นมานมแต่ความนไหลลงไปก็จะเห็นทุกข์ไหลลงไปก็เห็นทุกข์อรู้สึกตัวอยู่ไม่ลงไปยึดจะถือก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่แต่ที่ตัวมันเป็นตัวทุกข์ดท้ายมีจิดอ่ก็มีทุกข์มีกายอยู่ก็ทุกข์ทุกมีหล ข้าง <scam. S 1> ในสุดเลยก็คือ้ยังมีจิตอยู่หรือมีกายอยู่เรื่องี้ยทุกข์อยู่ของที่ยัต้องระวางปรารถาความทุกข์ระดับที่สองหรือความมันสุกเขาใสนต้องไม่ทํางานในทางานทันใจเหนื่อยเหนื่อยทุกข์ตัวที่สองุกข์เขมีภาระก็มีภาระทํางานจะแทบตายเลยเนีเพราะว่าอยาก่ความสุขมาให้จิตอะไรจิได้ได้เงิทํางานนี่ถ้าหามาไม่ได้น่ คู่กิรภผิดว่าหรือได้ความสุกมาจิตใจมันไม่รู้จะหยิบตอนอย่างนี้ได้ความสุขอย่างนี้แล้วมันอยากตอบยกบเต้องดิ้นทานํางานอีกตั้งนานไม่เกิดโรคไม่เกิดการทํางานมันอยากมันอยากเพราะว่ามันโง่จิตไม่จิตเป็นตัวเราเราก็อยากให้จิตของเรามีความสุขเราไม่รู้ว่าจิตไม่ใช่เราความไม่รู้มีอยู่ไม่อยากให้จิดมีความสุข อยากให้จินมีความสุขที่รนทำ ง, งานทางใจอย่างทางใจแล้วเดี๋ยวเราออกมาทางกายทางมาจดาด้วยก็วิ่งหนาลูกสวยๆมันดูจิตใจสบายแต่ถึงซบซับาแล้วใจสบายมีเงินเยอะๆใจสบายถ้ามีหนึ่งล้านใจสบายแตได้ห น, นนหนึ่งล้านต้องตล้านหึงสบายใจไม่สบายใจไม่ดนเนื้อเหนื่อยตลอดซบเลยแล้วดิ้นใจเรื่อย ถ้าเรารู้ต้นตอแล้วจิตนี่แหละตัวภาระไม่ใช่ตัวพิเศษเลยตัว็นสาระมันก็ไม่ใช่ตัวเราด้วยมันทำงานของมันเองเลยนี่เราเห็นอย่างนี้ความที่จะต้องวิ้นรนรนเริเหมือนน้อยลงน้อยภาระทางใจเรก็น้อยลงตัวทุกข์เองมีหลายชั้นนะชั้นในสุดเลยก็คือความยึดตัวตายใจ ือการที่มันมีความพยา ย, ยามเยอะเข้าไปแล้วต้องไปทํำงานหนักคนทํำงานหนักมือก็อไม่มีความศูนย์เป็นภาพทำงานทั้งวันก็คือเป็นภาพสมัยก่ อ, อนบรรพาก็แค่งานของเราไม่หยุดจะทาํทาั้งวันทั้งคืนครับทุกวันหารักากถ้าทําเงินแล้วไม่ได้อย่างที่อยากหรือไม่สมอยากอีกพุ่งอีกทุกตําำซ้อนุกหลายครั้งถ้าเราม่พุ่ เปลกกุ้งนะเปลือกคาราทหาอะไรบางขอที่มันจะให้มันมีความสุขมันก็ไม่เคยมีหรอกต้หาอะไรใหม่ๆได้เรื่องเห็นฐีก็เลิกรักันเหมือนสมมติว่าเป็นตั้งเแต่วเลี้ยงลูกลูกของเราเราทํางานหนักเลี้ยงลูกแต่ลูกไม่ดีสักทีเลยเพราะปวดารทํางานหนักเลี้ยงมันทีนี้ก็สบายใจ ต้องตัดขังปล่อยวัดมาตัดขังปล่อยวัดได้สบายเราแอนดื้อตัดข oui. ังปล่อยวัดเขาไม่ยังมามาโดยปล่อยยืมก่อนโตปล่อยวัดทีิงๆคนไม่ทำไหนก็อยากบวด ได้เราใสเห็นคูคู่มันมันมันเหนียวเยหนียวเหนียวหนึบเลยคือใจจิตใจเรัณหามันยางเหนียวจับอะไรเสร็แล้วจับแล้วก็ดิน้นไปดิ้นถูกกลับถูกับไดนะ้ไหตั้งโกทํางานทำงานแล้วก็คู่คู่ว่ามันกลัวว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเ อ, อจิตของเราจะไม่ดี จิตเราไม่เงินคลอยตัจิตของเราไม่ผสมเลยหรือส่งไปตึกจิตหรือจิตของเราเรียกคือตัวมิจาจิตของเราเรียนื่นทุกข์คับทุกขครับต้องจำตัวใจไม่ชนะใจไม่ใช่รู้ว่าไม่ใช่ของเราอีกไม่ใช่ของเรามันจะโลภิวิช่างมันตัดขาดปล่อยวางเป็นไงฟังหนายเรืองทีแล้วเรื่องยัง ใ้าสึกตัวถ้าเรารู้สึกตัวไม่ได้เราปฏิบัติไม่ได้เพาะเราลงอยู่ความคิดเราต้องการ ร, รู้ความจริงร่างกายติแสงให้ตัวเราไม่ใช่ตัวดีตัวพิเศษไม่ใช่ตั ว, ตวน้ารักแต่ถ้าเราไปลงอยู่ในความคิดแล้วก็คิดไปตามความเคยชินเคยชินว่ามันเด็ดเราฝังอคู่วูต้องทนตัวต่างปยาก ฟางั่งแล้วฟั่งอีกอาจจะติ้งขึ้มาเนปูยักษ์แต่ว่าถ้าฝั่งรู้เรื่องเร็วร็วได้ถ้าไม่รู้เรืเร่องลงมือทำเป็นเกินมากเลนั่นสมาธิังสมาธิร่างกายาม่ได้เกิดปัญญาเกิดไม่ได้หรอกปัญญามไม่้เกิดจากการใจให้ลิ้งลิ้งเคลิค่มเลปัญญาเกิดจากการสมราจสังเกต แต่ต yeah, yeah. ้องดูให hmm, um? ้สบายเหมือนกนะตรงสะบงเนี้ย่จริงจัจริงจังแล้วคี่อยากดูนะนะสิ่งที่หลักที่อยากดูคือจิตมันเป็นราวๆแให้มันวนมันหลอกไว้อีกขั้นอะไรนะตถ้าเไม่ดูมันแบบนก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ีงานใช่ตรงนี้แม่เหมือนเราอยู่ในเขาไฟนะ กรดิ่งซ้ายก็โดยกรดิ่งกวาก็ถูกโดยไม่ดูเลยก็หลุดไปเลยใช่ไหมคุณแต้วพอดูขึ้นมาก็แน่นขึ้นมาก็มีงานทำาก็มีทุกเลยไม่ดูมันไม่ได้ถ้ไม่ดูจิตมันก็หลงไปทำมันเองคิตมันยังไม่ฉ ล, ลาดก็ต้องตามดูไปดูแล้วเไาเราเราคือปุบปั๊บเราเลิกดูเลิกดูสติแตกไป หนีไปเลยมีแล้วมีครับมาถึงอบรมจำไร่ผู้รู้ไปแล้วหีหลงนั่นเลยแล้วใจแรงๆเลยใจเครื่องๆเลยสติแตกแล้วไม่ใช่ผู้รู้เะไิหนีไปแล้วตาไหเรื่มันหนีไปมันหลงไปแตาไปนี้มันหลงไปแล้วนีรู้ไวๆตึกเท่นี้แหละมันหลงไปได้หลายแสนเลยรู้อย่างเดียวรู้อย่าง พระพุทธเจ้าสอนแค่นี้สนบอกว่าทุอ่างให้รู้กับดูนี่มันเดเดียวนแล้วแต่ตาสตร์คนต่อคนูจิตคนต่อรู้จิตคนต่อคนเต้ารู้คนต่อนตามรู้พี่สำรวจกังเยอะแต่หลักที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆก็่งง่ายๆื่อทั้งหลายให้เธอมีความรู้ึตัวในการก้าวไปในการไปหลังในการ ในการเหียดเดี่วซ้ายแรกขวายืเนเดินนั่งนอนกิ น, นดื่มทำพูดคิดอะไนี่ให้รู้สึกตัวถ้าตอนมันรนู้จิตมันก็จะถนะอนอม์ี่มันก็ไม่น่าสอือมันก็ไม่มนะ่าสนใจอารมณ์มีจิตแอารมณมีอารมณ์เยอะแยะมมีเยอะแยอะไรทีิผานก็เป็นอารมณ์เกินความคิดก็เป็นอารมณ์เกิน รูปนามหรืกายกใจก็เปารมณอีกแบบนึงความคิดหนึ่งันไปนะหรือภาพหลงตาไม่จริงถ้าเราไม่ไปดูที่ตัวความคิดว่าคิดเรื่องอะไรอะไรย่างนี้ต้องไปดูมันที่สุาแารรู้ว่าใจแอบไปคิดเรื่องฝันต่ก็เริ่มแอบไปคิดรู้สึกตัวเรารู้สึกตัวเสมอเมือนที่หลว่อบอกต้องรู้สึกตัวเสมอมาตัดจิตละไหลไม่ทำงานอีกเ่อไปจะเห็นชัดงั้นเราทูกอยู่บนทุก่ะ เกิดอยูนกลางทะเลทรายไม่ร้อนเท่าไหร่อะเมื่หนรู้ดูตงมาจจอทะเลทรายล้กลับไปใหม่มัเม็นร้อนเป็นที่สุดหรืออยู่บ้านร้อนทุกวันก็ชิดจีนด้วมาอยู่บ้านแม้เป็นเย็นแลกลับบ้านเปนร้อนเหเก่าเป็นแบบเดียวกันคือจิตเราเคยดูอรงมา้วเคยรู้สึกตัวขึ้นมาได้เคยพ้นความผูกแข่งชั่วคราวแต่ไหลไปใหมุ่กใหม่ทุกหน ทำอะไรทราบไหมทราบไหมไห ม, มีการจะทำเออคิดรู้ว่าคิดอย่าหลงคิดนะคิดจะรู้ว่าคิดไม่ต้องรู้ว่าคิดเรื่องอะไรว่าเดื่อะไรไม่มีควาหมายเวลาสงสัยแล้วนะดูความรู้สึกสงสัยนะไม่ไม่ดูยอย่างอื่ไม่หลงคิดไปกิเลสจะหลอกให้เคิดกิเลสไม่ต้องการให้เรามาดูคิดดูใจของเรา เวลาพูดคนเวลาพลดคำน้ำของมันนี่เาให้เราคิดไปเรื่อยๆแค่คิดเราอยากคิดเราก็มารู้่าหลักการปฏิบัติก็แค่รู้จรตบให้รู้กายรูใจพูไม่รู้มหึงม่นําอย่างอี้รู้ไปมันเป็นยังไงรู้เป็นอย่างไรใจของเธออยู่ในอาการอย่างไรใจของเธออยู่ในการอย่างไรอุ้่ในอการอย่นมาคิดตา เดี๋ยวซ้ายแลข่ารู้สึกตัวไม่ใจลอยใจรอยแล้วใช่ไมเรรู้สึกตัวไหเรารู้สึกตัวเราก็จะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปดลงคิดเราเราไม่ต้องไปนั่งคิดว่าจิตของเราเป็นยังไงนะจิตของเราดีจิตเราไม่ดีจิตนีกินี้ไม่ดีเลยเลยทางดีทางมิจฉาไม่เราเลยไม่ต้องไปนั่งจา มือมองจริงว่าของจริงเป็นยังไงและวมาลองไคิดถ้าก็ลืมตัลืมตัวพอลืมมือตัวก็ลืไกลใจแต่เกิดในตที่เรานั้งคิดเนยเรารู้เรื่องคิดขึ้นไหมแต่เราลืกายลืใจหรืออปไหเออแลวพอลกายลืใจก็ิไม่ได้ทาในศาสนาและ่นีลืมกายลืมใจแล้วนี่ยแล้ว ตัวความทีดมันก็จะไม่รู้เรื่องที่คิดไม่ต้องรู้เรื่องที่คิดยกเล้นตามไปทางานนะเมือนคนจะเป็นนักเขียนซอฟแวร์ผมะเป็นดนตรีนิ้วก็คีย์บอร์ดก็รู้เดี๋ยวก็ไล่ออกไปด้วยกันไม่ได้ไปด้กันไม่ได้มไม่ได้จ้างให้ไปปฏิบัติเนึ่จ้างไปทำางานแต่ละเรื่องกันชีวิตเรามีหลายด้า ชีวิต้านหนึ่งสมาฮิตใจเลี้ยงตัวเองเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงมี้ะไรทำไปด้านหนึ่งหาความสุขให้ตัวเองในการมาเรียนรู้จิตใจเองความสุขมันเกิดเด้ยังไงสมันเกิดจากจิตลงไปด้าน้นึ่นงจิดลงไปยึดอารมณแล้วก็ฟุ้อย่างนี้จิตหลงอีกแล้วอย่างนี้ความสุขเกิดจากตรงนี้เลยไม่คิดไม่ฟุกรู้อยู่ไม่ฟุ้งหรอกกิเล้องไม่มี ไปกนแล้วหพอจะดูออกอ่ะพี่เนาะเนี่ยแต่นี้นะเนาะวเลี้ยงหลงพ่อต้องค น, นเลยนาะหลวพ่อไม่พูดตามใจคือตามใจโยมคืตามให้โยงตามใจพลวงพ่อคนตามให้รู้เรื่อ ง, ง <c oughs> เราเนม่ยบ่อยนะถึงทีนะถึงแล้วดีเองวั น, ด เ, นเดี๋ยวเวลาจะไปอีกแล้วรู้ไหม รู้บ่อยๆห้ามไม่ได้ต่อไปเนี่จะพบว่าห้ามไม่ได้ฝึกชับตายแล้วก็รู้ว่าห้ามไม่ได้ไม่ได้ฝึกจนห้ามสำเร็จนะฝึกจะรู้ว่าจิตเนี้ยแอบไปทำงานได้เองก่าินทํางานได้เองมันไม่ใช่ตัวเราไม่พอเห็นชักชักไม่ใช่ตัวเราอีกเลยก็ไม่ค่อยรักเหมือนกับอะไรใช่รู้เกี่ยวอะไรกับเรา ไม่ต้องไปวิ่งหาอะไรมนเปลืองๆเหมือนมากไม่ต้องทำงานหนักทางใจภาราทางใจก็น้อยลงน้อยลงรับน้อยน้อยก็ทกข์น้อยน้อยรับเยอะเพอะก็เยอะเยอะคุเา็นต่อที่ใดมีรักที่นั้นมีกูกข์ผมก็ต้องเสียหาแต่ยังหนุ่มๆตั้งหน่มๆไม่เชื่อนะพอโผล่ขัดกระหาอะไรถึงจะทุกข์ที่ไหนมีรักที่นั้นมเหตุเรียวที่ทุกข์เลยมีกวามสกข ของามภาวนาเหมือ ca, like ้เรารักอะไรเราลักจิตขเราเนี่ยเฝึนขีดเราเห็นว่าจิตถือตัวเรารักที่สุดทุกวันนี้ดี้นรนหาความสุขมาเพิ่มเตมันให้จิตมีความสุขแต่ว่าพอตามรู้ตามดูจิตมันไม่ใช่ตัวเรามันทางานของมันได้เดี๋ยวหนีไปโู้นเดี๋ยวหนีไปนี่ทั้งวันใช่ตัวเรามันไม่ใช่ตัวเราเห็นจะต้องเวกตัวนี้ไปสาระจะน้อย เป็นยังไงแค่นีมันเหมือนกับว่าเราเผลอตลอดเวลาอยกครับเนี่ยก่อนจะก่อนจะรู้เนี่ยมันจะเยเผล้วรงเออไม่เป็นไรแต่ต่อไปเรียนขยับนี้เนี่ยมันรู้สึกอย่างก่อนที่เราจะขยับเนี่ยจิตมันตค่ะมันจะมีแก๊สเอิ่มจิตมันต่ำมันมืกายมันเยาวัยถ้าเราเรายังไม่เห็นตรงที่จิตมันต่ำเราเพื่อนใหมไปแล้วแล้วเราได้รู้ทีหลัง แล้วตั้งเรื่องเลิกหรารู้สลับกันเรียบหลงแล้วไหมเออต้องได้อย่างนี้นเวลาถ้าเอาฟังแต่เราต้องคิดฟังังเออธรรมชาติเปอยงถึงจะรู้เรื่องเลยถ้าฟังแล้วไม่คิดก็ไม่รู้เรื่องสิจิตก็จะนีจิตมันก็ไปหลงอยู่กับเรื่องที่จิต่รู้เรื่องที่จิตนี่กระบวนการธรรมดาเลย บนการทำงานตามปกติของจิตเช่นะัเราก็ไม so ่ได้เข้าไปข้ามเขานะคือแต่ว่าความคิดแล้วมันเกิดมือร้อนเกิดนะตูก้นมแต่ตกเกิดพวกเราตอรู้ทันเมื่อตอนรู้ทันแบบนี้ตุกตุกเป็นรู้อีควาตุกเป็นร้มีราคาก็รู้มีความแปก็รู้เนี่ยมันเป็นรหัสจริงดีต่อมา่อเรพโฟลวกิตมันส่งออกไปมันไหลไปทางตาหูจมูกล่กายใจ ไหลไปทางใจแล้วู้ไหมเขารู้ว่าจิตไหลไปทางใจแล้วหยุดคิดเลยเรื่องที่คิดขาดไปเลยรู้สึกไหมจะรู้สึกบ่อยๆเราก็จะดดดออกจากโลกของความคิดพอเราไม่ได้คิดอะไรเนี่ยรู้กายกายไม่ใช่ตัวเราจิตจิตไม่ใช่ตัวเราคิดอยู่แล้วรู้ไหมเนี่ยจิดอยู่ตรงนี้นะนั่นลูกตัวหนึ่งเป็นคือกายเป็กายเป็นตัวเราไหมรู้สึกไหมเป็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งมาตั้งอยู่ที่ เราป็นตัวเราว่าเราก็หลงคิดตัวี looks, ้เป็นตัวเราจิตต้องเหมือนกันจิตก็เป็นธรรมชาติอย่งไม่ใช่ตัวเราทํางานได้อย่างนี้หลคิดอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องหน้าเรียวางหย่อนหต่อให้งตั้งหลงตั้งแต่เดิมเนี่ยคนดูปฏิบัติจริงตรงเนี้ยจะดูกว่าจริงๆแล้วคนในโลกนี้หลงตลอดเวลารู้ไหมนึกออกไหมแล้วที่ผ่านมาในชีวิตเราเนี่ยเราหงเห็นทั้งวันเลย เรองอมช่หเรื่อสาต้ียากจริงๆยากเลยแล้ว ใ, าาในโลกไปนมีแต่คนล ง, งไ ม, ม้คนรูงนี่ไม่ใช่หลงนะหลงตา้หน้าต่อทตาหลงพ่อลงได้หลงขอทำยากแล้วนะทำไม่ได้ทำไม่ได้เรียก <c oughs> ใ, ใครมาเรียนเดี๋ยวหงพ่อจะงงลยมาใหม่ๆแล้ลวพ่อไม่ได้ทำไม่ได้เราจะให้ทาอะไรอ่ะ ให้รู้เอย่าไปทำเอาให้รู้เอาจิตมันชอบทาอยู่แล้วมันไม่ช่วยมันทาเนี่ยเห็นไหมมัหนีไม่ทางานอีกแล้วเราต้องฝึกมันใ้ทันพอเราฝึกทันการทางานมันก็กลับเห็นหรอไหมการทางานนี่มันก็คือตัวพฤติกรรมของจิตพฤติกรรมภาษาแขกย่อๆแล้วก็คือกลับนั่นเองเป็การกระทาทางใจด้วยอำนาจของตัญญา ทำอีกมากเลยไหมที่หันหนูไปเนี่ยนะเดี๋ยวก็ภาวนาเก่งมันยากหอกมันยากเพราเรามองต่อ่าวะไม่เห็นเหเราหลงอยู่ทั้งวันทั้งคืนแต่เราไม่เคยรู้สึกเลยว่าเราหลงเราคิดว่าเรารู้ตัวเราไปถามใครในโลกเนี่ยถามว่าเธอรู้สึกตัวไหมเขาถามว่าดูถูกอีกเอ้าฉนไม่รู้สึกตัวฉันก็บ้าแล้วยินบ้าทั้งโลกเหนหรือเคยรู้สึกตัวีิ มีแต่คนหลับคงสายเนี่ยตายอีกแล้วรู้ไหมไปมุ่งมัเออเออถูกเลยห้ามไม่ได้นะของเรานั้นปฏิบัติที่คนไปเป็นผู้ผู้คนที่เข้าปฏิบัติไม่เป็นไปผู้ผเดียวเลยไม่เคยขึ้นมาอีกเลยเพราะฉะนั้นเราของเราไปเป็นผู้วก้ก็ถูกเลยพองชาติขอเราก็ตั้งลมตั้งลมเคยมีภพยาว10ชั่วโมงเหลือผู้เดียว วูบแล้ววูบแล้วลลวูบไปเลยไม่เลยวูบไ้เลรู้สึกไหมว่าตรงนี้ไม่มีอะไรเลยในใจเราไม่มีน้ำหนักรู้สึกไหมตรงนี้ใจเริ่มมีน้ำหนั ก, นกขึ้นเนะนี่ยเราสร้างภูมิขึ้นมาหนักหนึ่งกิโลก็ทุกหนึ่งกิโลนะหนักสิบกิโลก็ทุกสิบกิโลใจมีน้ำหนักหรือเปล่าเค คนในโลกนี้นะใจเป็นหนักอย่างเงี้ยมันไม่เคยเห็นแึ่กว่าจะเคยดูออกมาแล้วสู่ภาวะควังรู้สึกตัวที่ไม่มีน้ำหนักอะไรไเลในจิตใจแล้วพอไหลเข้าไปใหม่จะรู้เลยว่ามันคครับฝปั่นะอีกแล้วรู้สึกไหมว่ามั น, มนเบาบุหนึ่งหนึ่งเนี่ยรู้สึกตัวนี้มันจะไม่หนักมันไม่คลุกถ้าหลงเข้ไปไหลก็ไปทํางานมันหนักที่มนะันีหนักน เนี่ยโลกเรารู้สึกตัวอย่างนี้เราอยู่โลก้างอรู้สึกในโลกไม่มีน้ำหนักข้างนอกไม่มีน้ำหนักแต่ข้างในหนักกว่าข้างนอกหรือหรเราให้คิดหนักรู้สึกในข้างนอกนี่ว่าว่างเปล่าไม่ได้มีน้ำหนักอะไรเลยหนักอยู่ข้างในหรืองไหมใจเราหนักโลกนี้ว่างเปล่าอีกแล้วตั้งแต่แรกใจเราหนัก ใจเราไปลงทำงานนะเรารู้สึกเลยไม่รู้สึกไม่ได้เันน้ำนอยู่หน่อยๆเงินเลยไม่ไมไมไมตรงนี้ไหนนะคุออกไหมตรงนี้ข้างในก็างนอกเข้าแตรู้สึกไม่มีน้ำหนักเลยกนละ้าละหนันข้างนอกกำลังเข้ากันตลอด้ห็นทำงานนะุกอีกแล้วอาจะด้วยยังไงคุกเลยจะอจะไร ก็เกิดจะโลงเข้าไปนั่นเองจิตส่งเขไปนี้แล้วหนักขึ้นมากันทีเลยมันรู้นเข้าไปเองเออเพรมันเคยไปคุณบาจารณ์เล่ตนากินเหมือนงวงเหมือนกวยเต็มเตียงมือมันเป็นชาวไร่ชาวนากินเหมือนง ว, วเมวมงงห ม, วมือนกว ย, ย, ยนี่ยเราตกเย็นเคยตุตตนนต๋นข้าวคอตอนนี้ไม่ตุ๋นข้าเย็น มันชินชิที่จะไหลเข้าไปดูบงหมันไหลไปทางความเคยชินมันไปชินเรื่อการแะแขกเรื่องการุกไหและใส่แล้วถ้าเราเคยชินแล้วก็ยังไม่ยอมเริ่มฝันรู้สึกเลยมันมิดดี๋ยวเริ่มเลยเดี๋ยวเราไปให้ติดๆนานๆไปบอกไปดูเลยาทีมันเหมือนมันแก้ไม่ออก ไม่สนใจเลยยังเป็นนักแยกนะต้องยังไม่รู้เองหน้าที่ของเรามีหน้าที่เดียวรู้เดียวไม่มีหน้าที่แยกแต่คนที่จะเรียนอย่างนี้ได้มันต้องใจถึงมากคนมากกลัวไม่มีความรู้เราช่วยมันทำช่วยมันคิดกลตัวไม่มีความรู้กลัวไม่รู้ควรใช้ช่วยมันทำใช่ไหมเมื่อเราลำบากขึ้นมาเรก็ให้ช่วยมันทำนั่นแหละ ช่วยมันทำไมคไม่ใช่ตัวดีลูกก็ังคาถามหลวงพอว่าหลวงพ่กลไหใ่แค่นั้นได้ได้ที่ถูกต้องทาแค่นั้นแหละเหน่อยโอ้ยเออมันไหนยแรงเยอะเพาต้องเหนื่อยนาเหนื่อยมากไปเอาแล้วดรไชยพักน์เมื่อกาอาจารย์ที่อาาเคยเจอไหมไม่เคยดรไชยพัฒนเนี่ยดรอราอาจารย์เก่งอาจารย์เมู่ เลสาที IX IX Ch ta, right. well, ่กระเทือนไวยไหนมึงอาจารย์เชิงจันี่แรงน้อยตัวงพบอกให้รู้สึกเราจิตใจรู้สึกยังไงก็รู้ไปเรื่อยๆอาจเกิงจันดูมาเรียนครั้งสองั้งดูเป็นนะใจสบายแบบคุณเดาเนี่ยงพไม่คิดมากดูง่ายๆต้องใช้คัดต้องดูอย่างนี้ถึงจะดีเอาจิตไม่ถูกดิมาถึงคถามที่มองตัวเรื่งไม่ถูก นี่อาจารย์กินจันทร์ดีอาจารย์กินจัร์รู้เฉยเยไม่ทาอะไรนี่คุณใช้พัดทำกลับบ้างนี้ทําวิธีนี้ผิดต้องลองทําวิธีนี้ใหม่จิตมันตั้งไว้ตรงนี้แทนนี่จะตั้งไว้ตรงนี้ที่หางานทำทั้นั้นเลยแกก็แรงเดี๋ยวะีิด็อกเตอร์คนกว้างมากมาทั้งหลายแบงมาบอกว่าทามาฝังนี้ก็ยังผิดอยู่กลับบ้านรอใจแล้วแล้วเลิกแล้ว ปฏิบัตินี่มันยากก็ราะเกิเราไม่มีบุญวักษานาอทำบุญอย่างเดียวเราไม่เอารักก็ไม่คิดว่าจะปฏิบัติใจรู้ใจรู้แล้วรู้ว่าใจรู้อ๋อเขาปฏิบัติจะได้งูรู้เดียวเหื่อยแลค่ะไม่เอาเหนื่อยก็ทำรู้ไม่เหนื่อยนะแต่ก็เหนื่อยใจยัทำต่อ มันต้องินไปจมนมันหมดแรงดิ้น <c oughs> จะมันเหนื่อยจริงนะคะใช่แต่ดิ้เหน่อแล้วจะหอบถ้าใจก ล, กล้าๆนะเก็บมือเก็บครับก่อนฉัไม่น้ําใหม่ๆเป็นไม่ายน้ำเป็นไหมเป็น <c oughs> ว่าน้ำเป็นแล้วสังเกตไม่อยูเ่เฉยๆก็ไม่จบ <c oughs> ทําตัวให้ ก, กลืนนนะ้ะไม่ฝืนน้ำทำไม่ <c oughs> เป็นฝืนน้ําไม่กลัวน้นําเห็นน้ําเป็นศัตรู จีดิ้นสุขขับุกขับระจงเลยครับ ข, ขอไมว้น้ำเป็นตลยโจงเลอยู่กับ น, น้ำเพราะว่าไม่จงก็ตายแต่มันมันมันไปตามตามตามความเคยชินกันใช่มันต้องไปตามคายินเราะอย่าเอาเรียวแรงก็ไปใช้ก็เป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นเงี้ยเป็นกลับมนที่คำสอนเบสิกเลย กายเราเจอยู่ในการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในการอย่างนั้นจิตเรเจอมีความรู้สึกอย่างไรก็รู้ว่ามันรู้สึกอย่างนั้นจิตมีอาการอย่างไรเช่นไหลเข้าไปส่สอสอกสอง่งอรรู้ว่ามีอาการอย่างนั้นเบสิกเลยเมื่อไปพ ย, ยายามมาเยอะแยะเลยเสร็จแล้วก็กลับมาที่เดิมกลับมาที่จุดเริ่มต้นหลังจากไปเหนื่อยมาเยอะแล้ว <S <S มาคนแรงเยอะนะแรงเยอะยี่สิบปี เราไม่เท่าไรปีสองปีมีที่กว่านหนึ่งยี่สิบปีไปวัดเที่ยวกันทำไมหลว่ อ, อ, อยู่นึกฟังฟั ง, งหลงพเ่ฟังเรื่องเรื่องคุณข้าสุดท้ายแกล้งกคนเต็มห้องนี่แกล้งแกล้งประจากัเนี่ยฟังยี่สิบปีน่เรื่องมันเดือ็ร้อนนะแต่ท้อแท้ใจหมดแรงดิกลับห้านดูเป็น แ ม, ม่ว่าเรามีแรงดิ้นเยอะดิ้นขบขับขบขับพยายามทำอะไรพยายามมากก็คืเยอะแต่ว่าห้ามไม่ได้ออกใจเราใจมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นดินอีกเครื่องหนึ่งถ้าดิ้นไปดิ้นไปจนมหมดแรงที่บางคนก็เลิกดูเองก่อนจิตเดยียวไม่หมดแรงดิ้นเราอยากปฏิบัติให้เป็นเราเลิกไปก่อน หน้าของตาตรงไหนอึดอัดเก็รู้ไหมดิ้นไปก็คลุกคลุกทำนี้ก็คลุกคลุทำนี้ก็คลุกคลุกทำทุกสิ่งทุกอย่างทุกทุกสิ่ทุกอย่างเลิกเลยรู้รูปเดียวโฮคุกเลยแต่ไม่เดียวคูาคุกเลยเป็นจิตไหลก็ไปทำเรื่นี้ก็ใสเลยอด๋ยวตั้งใจไปแค่นี้ม็นก็อึดอัดไหมมันไม่อึดเพราะเราตั้งใจเอาไว คนดูไม่เจนนะดูทีแรกง่ายยิ่งดูนานๆย่ยากขึ้นเรื่อยๆก็แับจะดูเจนนะถ้าจะตั้งใจดูม่เอาแน่ค่อนข้างจะดูเล่นๆเวราจะเลยนเด็กบังคนอยากจะนักงจ้องเด็กปากกินดูห่างๆดูเป็นระยะๆจำเรื่องจำเรื่องําเป็นๆไม่ดู ีคิว่าฉันจะดูดูตลอดจะรู้ตลอดโอ้เส็นเครียดผิดแ ล, ล้วฉันเลยหลงไปดูจร่เดียวง่แต่ว่าเปนเรื่อยากเร่องยากปัจนเรยากแล้วเนี่ะน้อ ง, ยอยงนะว่ามันมันเหมือนกับมันเดินวนกลับมาที่เดิ<ะ><ะ>ดมก็เปินที่นั่งน้ตายเลยลูก จต้อรู้สิหลังก็รู้นะถูกฝึกกลับฝึกตามมันใน <c oughs> ที่เรียนฟังหลายวันแล้วคือ <c oughs> พวกเราเนี่ยต้องฟังเาาราเป็นพวกสาวกผูเรารู้เองไ่ได้รังฟังมันจิ้งใี่มันมันปฏิบัติได้อยู่ยๆโดนเป็นฏิบัติล้วก็ คนที่คนทุกีีปฏิบัติได้เองมีแต่พระพุทเจ้าเมื่อเราลงมือปฏิบัติล้วจะลงมือทำสมถะเลยไม่ทำอย่างเดียลงมือเช่งลงมือจ้องลงมือบังคับลงมือดัดแปลงแก้ไขทำอะไรแต่เนี้ยที่รู้ว่าจิตก็เกียวการู้การพฤติกรรมจิตเองไประยะระยะอย่านั้นเป้านะ เมื่อเตาในจิตใจนแีแล้วมีพฤติกรรมนั่งเตาอย่างอะที่ถึงเรื่องว่าทำสมับถ้าถ้าเราทามากมันก็สบายดีเยอเราจะสบายแลอดเวลเพราะว่าสมถะเราท ำ, ทำไมครัก่อน ม, ม, มันคนทัก่อเยอะๆรวยไม่ได้รวยทำสมถะเ ย, ยอะๆจะเกิดปัญญาไม่ไม่เกิดอารเรื่อง แต่ถ้าไม่มีสมถนเลยก็ไม่ไหวก็ต้องทอําเหมือนกันแต่ทํามือนรู้วัตถุประสงค์ททักษ่อพยังจะไปติดตอยู่ตรงที่เวลามันมันมันนิ่งแล้วอบบมาไล่ตัวตนมันไม่มีมันสบายไม่ว่าเใช่อแต่แล้วก็ดับมามีอีกเลยทุกอย่างเ่าทุกมากกว่าเตาอย่มันมันมันุกใช่ไหมเออพยายามทําสมาธิใหม่ เลือกอีกเลือดก็อีกอีกเลือดเลือล่อดไ้าเออาอะไระดับบนกับกระดาบนมันเกิดด้วยการรู้เรื่องอะไ้เรื่องนี้ที่ท่านเพิ่งถึงเรื่องสบายจริจริงมันก็สบายนะสบายเพราะว่าเราจบแช่อยู่แบบฟัุกในโลกนี้ยังพอเราไปเรามีเอามาสอบตอนน้มันก็สบายอันนี้เราไม่ได้เดินถึงยาต่ วิธีเดินสัญญาไม่ใช่สลับอะไรหรอกคือเราเมื่อจิตออราพลุดความออกจากกา ร, ท, รทุกข์คลีกับโลกเนี่ยถ้าจิตเคลื่อนกลับเข้ามาในโลกเราจะเห็นปุ๊บครับเพราะฉะนั้นพอเราเอาอกจากสมาธิเนี่จะย่าเลิกปฏิบัติให้ตามรู้จิตที่เปลี่ยนแปลงไปเลยถ้าทิงท้งทิ้งช่วงเฉยๆนี้นะั่นทิ้งทิ้งโอกาสของเราไปที่เขาทาสมาธิกันมาจิตเช่าถึงฌานนั้นฌานนี้ก็จิตถอยเอาจากฌาน ให้รู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตเลยนี่คือการเดินพิสัสนาโดยใช้ฉันใช้สาชาามาธิเหมนนะม ไ, มไม่ใช่ว่าจิตถอยออกมาแล้วช่างมาทาไมรู้ไม่ี้แล้วมานั่งคิดเรื่องผมขนเล็บปันหนากเลกไปอยู่กับความคิดอีกิดหน้าที่นะเพราะงั้นถ้าจิตถอยออาแบบสมาีินะให้รู้ควาเปลี่ยนแปลงของจิตลงเข้าพุทธตอนนี้ จิตสงบนะตอนนี้ไม่สงบนะเมื่อกี้มีปีติตอนนี้ไม่มีปีตินะเมื่อกี้สุขตอนนี้ชักจะไม่สุขอนะ่ะเพราะจิตเป็นของไม่เที่ยงนะแต่อมาไม่ต้องทำสมาธิาเราเข้าดูที่จิตเป็นนะตาไปเห็นดอกไม้สวยใจอยากได้เห็นบางอยากได้โสดจะเห็นตัวนี้เกลียดที่หน้ามันเห็นบางเกลียดโสดเห็นว่าเราดูจิตเราออก ที่อุตส่าห์เป็นนั่งทำสมาีิถ้าเป็นท่สาสใหวังว่าจะได้สิ่งนี้นี่เราไม่ได้มุ่งมองตรงนี้เพราะเราไม่เข้าใจเรามุ่งมองความสูงมองที่อยู่ข้างในดีข้างนอกไม่ดีเพราะฉะนั้นพอเราออกมาก็จะหาทางปัดข้างในอีกแทนที่เราจะมาเรียนรู้สภาวภพข้ า, า, างนอกนี้จะมาเรียนรู้ว่ากายกใจไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราแต่เราละเลยที่จเรียนเรืองรูปกับ น, นามรู้กายใจ ว่ามันเป็นไตรลักษณ์เรามุ่งหาความสงบลับน ta ิดเดียวทำความสงบไปเราฝนถอยออกมาเนี่ยเข้ารู้จิตเลยจิตที่สงบไม่สงบแล้วจิตที่สบายครับจะไม่สบายนะน้าตามรู้ไปเรื่ยเลยเดี๋ยวก็เห็นว่ามันไม่สบายเรื่มันไม่สบายเรื่องนี้เช่นเดี๋ยวมันก็เกิดราคะเดี๋ยวก็เกิดโทสะเดี๋ยินดีเดี๋ยวยินร้ายเดี๋ยวสูขเดี๋ยวทุกข์เข้ารู้จิต จะเห็นว er. ่าจิต no มันเปี่นแปงทั้งวันเลยเราบังคับมันไม่ได้กมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราทิ้งไปใจมันชี้ใจมันทิ้งไปไม่ถือว่าเป็นของเราทาร่าสายไม่ต้องดิ้นส่วนมากกระทั่งไม่ต้องดี้ส่วนทารเข้าสมาธิก็บางทีก็เกิดความเบื่อนี่ยตรงมันจะต้องเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดเกิดก็ดับอีวันทั้งวัน เกิขึ้นแล้วเราเบื่อเป็นีิดูว่างเบื่อค่ะเบื่อรู้บเบื่อก็เป็นอารมณ์อีกตัวนึ่งอย่าให้เครื่งลำกิจหรืออย่างเราทาสมาธิเกิดดีติีติก็เป็นอารมณ์อีกนอย่าให้มันเครื่งิตไม่ใช่ว่ามันเกี่ยวันเป็นอารมณ์ที่ปลกแต่ง่แต่ก็พาเองช่วงนี้นะคะเกิดไปเกิดไป ไปดูของศาสาอนๆแล้วก็แล้วก็สงบนะฮะทำสงบเย็นใจคือไม่ไม่รู้สึกแบ่งแยกรวมไปถึงมองศาสด้วยจริงๆศาสตรางบางประเทที่ไม่ชอยแต่ว่าความรายเกียดความรัวความอะไรแล้วก็น้อยมันจะค่อนข้างจะแบบไม่ได้แบ่บงจิตใจมันเป็นกลางขึ้นมันเฉยเฉยไม่กระทั่งศาสนะ ไม่ต้องแบ่งแยกกันอะไรแต่เราไม่กล้าปฏินะคะแต่รู้สึกมองตัวเองเลยมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับมันรวมเป็นเอชแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยสถานะในมัวมันมันไม่ตัวเราไม่ใช่เป็นสิ่งี่เคยขเขาหรือว่าขามันเข้ากัเพราะว่าเราทามาถึงตัวสมาชิ ศาสนาอืนก็ต้องมีเรื่องแค่นี้เรื่องสมาธิเรื่องความสลุใจนะศาส่านี้เลยเรื่องมีเรื่องปัญญาถ้าเราเข้าใจถึงตัวปัญญาตรงนี้เลยว่าศาสนาอื่นนั้นเป็นติอยู่แค่ความคิดเท่านั้นแต่บางทีเราเจะรู้ว่าเออพวกของเราเนี่ยมันมีปัญญาที่สูงขึ้นเองแต่ก็ไม่รู้สึกว่าเหนือกว่าเราไม่เหนือกว่าเหนือกว่าเป็นกิเลวแต่ว่ารู้ว่าไม่เหนือเรา ถ้ามีคนปัญอยูะที thì, b ảo b ảo này này ่เขียนหนังสือหน้ากบอกคนโบราณนี่นะเวลาเขาพูดถึงศาสนานี่ไหน้ขาก็บอกว่าเออดีศาสนาไหนไก็ดีด้วยกันนั้นแหละแต่พอมาถึงคนย่เนี้ใครที่บอกว่าดีด้วยกันนั้นแหละศาสนาไหนไนก็ดีเหมือนกันนั่นแหละบอกไม่เหมือนหรอกดีแต่ว่าดีไม่เหมือนกันดีดีต่างกันอย่างบางศาสนาต้อบอกให้รับ ความเป็นตัวเองจะยกทุกอย่างให้พระเจ้าไปบุพเพยนกับพระเจ้ารักตาตัลือกก็จะมีที่ยืนที่เกาะไปอ่ะศาสนาพุทธก็เลยติดใจไม่มีอะไรให้ก่อไม่มีหลเข้าอหรแล้วไม่มีความรู้อะไรที่หลวงพ่คืออรือทุรินก็คือได้เานาเกตคือโดยที่ดูผมเส่นเดียวมาหนึ่งพกบาตหลวก็เข้าไปที่บ้าน ถึ้วก็เรียกชาวบ้านด้ขออนุญาตข่อให้ชาวบ้านมาฟังศาสนาคริสที่วัดขั้นหนึ่งนัานได้อนุญาตเก็มีบทให้มันนั่งนั้วยสิไยี่ยะเจ้าสร้างโลกโลกนี้แต่ว่วก็ถามทั้นนรรดาเดชั่วโมงขั้นนั่ไงหลวงพอห้วงอเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเข้าใจที่พูดหรือไเข้าใจหลวอเชื่อไหมไี่เชื่อเรานี้คุณพูดเอาเองแล้วและ เจ็บช้าเก็บเลยไปเลยวพระเจ้าสร้างโลกในเจ็วันเูยคุณเูาเองนะตอนที่เจ้าสร้างดวงจิตยังไม่มีโลกนี้นะมมีกาวันกัคืนได้ที่ไหนถาว่าดีไหมดีมีศาสนาดีกว่าไม่มีแล้วคานั้นีความสุขเจ้าที่ชัดเจนเจ้าที่ที่จะทำอะไนไ้ไหม เออนั่นแะดีโชติธรรมอืมต้องเร่งแบบความไม่ตาใช่แต่ละคนเลี้ยงหูไปหาสันติภาพผู้หสันติสุขนี่ก็เข้าถึงสันติภาพในระดับที่ต่างกันเนี่ยไม่มีระดับภาพลยติดใจทำสงครามจะมีนะคะตอนหลังๆก็คือไม่เอาแล้วทุ่เหยียดแล้วค่ะ แม็ก่์เกียรเป็นกีเรีนรบบรู้มากเราขอพักคนเนี่ยหัจเจริญสติถ้าทาอย่างคีณเจริญโงแล้จรโอกอะไรตลา ด, ดอย่างนพักไม่ได้ยางรู้ยางเตือนมั่คพักกอน่งนี้ทำไปถึงจุดหนึ่งมนพักไม่ได้หลวตอนหงพ่อตะลุมบ อ, อลคุณเจริญโอกเนี่ยดูอยู่เป็นเตือน่ไม่ออยอมหยเลยนะ คือหลับหนึ่งแว๊บหนึ่งจะตืที่เขาดูอีกแล้วดูทั้งวัะโอ้ยเหนื่อยจะตายแล้วดูอยู่ได้เด็นเดือนไม่ยอมอยู่ขอพักสัก่ดียวของดูพยายามไปดูอย่างอื่นดูอย่างนึ่งปุ๊บจำมาดูอีกล้หยุดไม่ได้เบลกไม่ได้เขเบรกไม่ได้นายก็เหนื่อยล้าจนปันยาไมด้ทำอะไยดูหายใจหายใจหายใจแตจิตรวมปุกขาดแล้ว ไม่ได้พักเนีไม่ได้พักก็ไม่ไหวแต่ว่าเวลาสติมันทำงานมันจะตโนมันติเป็นแบบสติไม่มีพักเนี่ไม่ยอมหยุดเนี่ยยเว้นอะไรจะต้องทำสมาธิเมื่อติดแล้วเหนื่อทำสมาธิพักก่อนทำไมตอนเคยเป็นอย่นี้มีการทัเทียบ้ก็เข้าใจคือยัไม่กล้าถามตัวใจเข้าใจว่าตัวเองเป็นโรคกระดาษยังคิดขำๆ ยังรู้สึกตัวไม่ได้น ะ, ะรู้สึกตัวเป็นร่างลายแต่เรายังไม่รู้สึกตัวจริงยังไม่ตื่นเรายังคิดอยู่จะขายอีกแล้วเข้าหมหนึ่ยวันเด็กไม่ยอมเลิกเลย <S <S 1> <S 1> รู้สึกไหมว่าปล่อยไม้ออกเอ อ, อเป็น <S 1> <S 1> <S 1> เด็กเริ่มเข้าไปสู่ภาวะการเป็นนักปฏิบัติแล้วจิตเริ่มเป็นนักปฏิบัติ แค่อย่างนี้คือคนที่ปกปที่เข้าดัเดินของเขาเองมันเป็นทางเดินที่เดินรอยยดือดแนไม่รู้เรื่องเลยนะดูปักขาดปักขาดพอชักดูเป็นแล้มนเิ่จ้าแล้วเป็นเจ้าที่าำไมไม่หลุดสตแคล้ายคล้หยผมวดอยินปวดเมื่อไหรมันจะหลุดสตินะแต่ถาว่าเหมือนเงินเย็บเลยเห็ไหมดูรู้สึกไหมมันกาันยังไม่เลือ รวยไม่ได้นะทุกไปถึงใจเข็ดใจมันเข็ดรู้ว่าโูถ้าจิตของเราก็ไปทางานนี่กนะูถ้าไม่ให้ไปทากูไม่ได้มัเ น, น, น, น, าาานเป็นจิตที่ตระหนักรู้สภาวะอย่างที่ผมเป็นอยู่อย่างี้คือเป็นทั้งโลกเลยนั้โลกนปฏิบัติมันเป็อย่างนี้ไม่ห่างเลยแต่ถึุตอนนี้ก็คือสภาวะของปฏิขาไม่ใช่ไม่เหมือนคนในโลกโลกใคร นี่คือจิตใจชะตาว่าปกติที่คนจะเป็นยงคยงยังยังเป็นยังเป็นยังมีความตึงความรู้สึกไว้ดยังยังยังเปนความรู้สึกอยู่รู้สึกไหมแม่หนักอิรู้สึกค่ะเนี่ยเอาตัวนี้เป็นอินดิเคเตอร์ได้ยังหนักอยู่เนี่ยถึงว่ายังแอบทางานอยู่ยังแอบทางานอยู่ แสดงว่าที่บอกว่าเหนื่อยมากแล้วไม่ไหวแล้วไม่จริงหรอ <c oughs> ยังไหวอยู่ยังขับอยู่เออดิงบินไม่เลิกซึ่งลูได้ทำอะไรนี้ได้นองจากลมไปมลไปกับิงง่ายกว่านั้นอีกยากไปดูมั้ยสิไฟเลยไปเล ย, เลยแล้วก็หลงลไปรับวไปรู้ทันไปตามรู้ค่ะค่ะค่ะเรองราเลย ไม่ปล่อยหรอกค่าไปอย่างนั้นเค่าค่าไปอย่างนั้นจับแน่นเดเลยมันไม่ปล่อยอะค่ะเราปล่อยไม่ได้อย่างโกโบไปบอกอว่าคนทั้งหลายนี่ถ้าไม่จับรูปกระทำก็ต้องจับนาทำทีมีสองมื่นจับอะไรก็ต้องจับเอาไว้หันเลยเพราะว่ากลัวกลัวว่าถ้าปล่อยหมดจะหล่ไปในความว่างกลัววไม่ได้ปฏิบัต เราไม่กลั n ไม่ได้ปฏิบัติใช่ค่ะนี่ละเราัวไปกลัไปจนทุกข์ทุกข์ก็ทำปัญญาปัญญ่งมนเกิไหนเริ่มลากะเสร็จแล้วยโอ้ตนเกินแล้วันเกินแม้อกไปที่ว่าพูดเรื่องตัวลดหย่อานด้มันมี่ทนะ มันน่ากัวมเหน็ดเหนื่อยมันน่าเบื่อหน่ายที่เรื่องขิดหลงนีง่มันเดทำไปทำไปอยู่ทั้งร่งรุ่งพกไม่มีทางดิ้นและช่างเถิดใจก็เป็นเด็กสาวใจก็เป็นกลางเป็นกลางก็ลอยหมดมันกดก็เกิดอยากก่างสุดท้ายของเราที่ทำไปเยัยสัำคัญวิปัสสนาจะมีปัญญา เกลางก่อสังขารก่อความจงแขต้องมีทั้งส่วทสุทุกเสมอเลยไม้ทำาแล้องทำใจคนนึงตัวจริงอยู่คันอยู่นิดเดียวภาวะนี้มันคล้ายๆเราเดินชนสาแล้วก็จะชนให้ผ่านไม้ได้จ็ิ่งถอยนิดเดียวขยมุมนิดเดียวกหลุดแล้วเดียว เป็เส้นผมบนภูเขาเวเดาแล้วรู้ไมค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำงังเนยมือแมลงบินชนจกหัวกัไปเอยมั่ายง่ายจิไม่ได้ทำอะไรเลยนีแอบทำนะเออจริงมันขยับติ๊กเดี๋ยวก็เลื่อน ต้บากเยอ้องบาดหายเลยเลยอย่าไปหาหาแล้วนที่ลนุ่มคนนี้ต้องสูญ่าวะยากลำบากแล้พวกคืนเจ้เดียวกันวันที่เดียวจริมันเนีอเมื่กี้เนี่ยเจ็บเว่าไม่ได้กินยาอีตาอะไรหูก็ทาดูว่าดูสอยๆก็เหมน แต่ตอนนี้ตั้งใจจะดูเลยมันเหมือนมันเหลือความพยายามม่มีความยากเราจะไปใช้คำว่าพยายามที่ไม่คือความอยาปฏิบัติเลยค่อยๆดูแต่ละลำบากในช่วงถ้าแรงเยอะก็ลำบากนานหลวงพ่ตู้อยู่ช่วงนี้สามเดือนคือสอขตู้หนึ่งสามเดือน คิดเก่งแล้วไป ห, หาหลวู่บอกหลวงปู่เจอจิต แ, แล้วมันทางานอย่างนี้ผมทำอย่างนี้ที่บอกแค่ได้มาตรการของจิตอยากไปดูใหม่ไหตอนนี้เลยมันดั่งอยู่ไม่ใช่คิดแล้ะไม่ใช่ตั้งใจทำนะเรี่กทารู้ไหมมีการกระทํำรู้ออกไหมทําอย่ายไม่เอาทําใ็นศัตรูกับรู้อย่าไปคิดแล้วว่าจะเริ่มทําได้ยังไง แตรเริ่มทำก็คือการทำนั่นแหละโหเปนลำบากคนบางคนตังแต่เดียวมันก็หลุดเลยนะคือบรรจงมันแข็งครั้งเดียวบางั น, น, นที่สิบปียงไม่สุดอรงมันก็มีนะทาไม่เริ่มเลยแล้วแต่เืกก่งแ่งตัอืแต่ละคนลืมเรื่อปฏิบททัติไหมลืมเรื่อง ก, การปฏิบนะัติไหม มันมันเหมือนนี้ค่ะล่อมันเหมือนแตว่าถ้าใจคลายก็คือละลึงการปฏิบัติ้ก็กลัวจะลรมตัวถ้าถ้าถ้าอันนั้นก็ปฏิบัติเอาจริงเอาจังไปคูบาอจาย์สอนลุกเมงกลางให้กลหห้าเครื่องอยู่งจิตให้มีเครื่องอยู่เช่นจะยืนเดินนั่งนอนก็ได้แต่คอยตามรู้ความสุขความทุกขก็ได้ เราไปหยับตัวไม่รู้สึกไม่คิดเรื่องปฏิบัตินะคิดแค่ว่าไปหยับตัวแล้วจะรู้สึกไปหยับตัวแล้วจะ้ลืมเรื่องปฏิบัติเลยจะกล้าเองเพราว่ามันจิตมันมีพิหารธรรมมันมีเครื่องอยู่แล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เอากายเวทนาจิตธรรมมันแดนหนึ่งมาเป็นเครื่องอยู่ของจิตหมายถึงว่าให้คิดอยู่แั่เนี้ยหนึ่งเดือนคนึกถึงสิ่งนี้แล้วก็ให้รู้สึกกลัว ต, ติดตาจริงไม่รู้ค่ะคใครก็รู้ึกไปดูอยู่ที่กายร่างกายกบะยำไปเยอนขึ้นไปคยรู้สึ ก, าา ก, ย ก, ยกไ้กใจิตใจยังเป็นอะไรขึ้นมานะแต่ยังไม่ใช่กายนะรู้สึกในกายนะา ม, ม, ม, มันจะมันจะเป็นมันจะมันจะรู้สึกที่ากายดามเคลื่อนแลม้มนก็หนักขนะึ้นแล้วลมอยางเล่เล่นยากส่วนใหญ่ชอบเล่นลมนะคือนี่ลมเป็นกรัมานที่เล่นยากนะ อยากไม่เลิกอืมนี่แหละเป็นเร่องโกงค่ะฮึฮึฮึถุงตัดเป็นยังไงถุงตัดง่ายยังงวันก็หนักนะบงวังก็บางๆตก็ดีดนะแก้วดีดเรื่ที่จริงจังจริงจังก็ทุกเยอะ เราปฏิบัติให้คนซุ่มเปฏิบัติให้ซุ่มเยอะๆเออไม่มิแล้วไหม่นั้นไ่ต้องทาอะไรมากกว่านั้นนะอย่ากลัวหลงเลยนี่ต้องกลัวจะหลเไม่ต้อกลัวจะเผลอเราเผลอเมื่อทะเลาะข้าก็า้กลัวเราเผลเลอราก็พยายามเจ้าลงอหมเสร็เริ่มเจ้า ทำอะไรตรเน mm. ววี้คิดาลาแลว่าคิดทำอะไรตรงนี้เร่งปไวๆทำอะไรอีกนี้ไอ้ี่เรียนมาอย่างนี้ <laughs> ไม่เออลใช่ไหมดูไปไม่ใช่สำังไปดยนึกรู้ทันว่าไปคิดอีกแล้วไปคิี ให้ความรู้ทันอย่าไปทาอย่างอื่นนะรู้ทันลูกเดียวจะทอะไรตรนี้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรรู้ว่าแอบไปทำทุกนม่ลู้ไมู้จำเราใส่ยงไงถามว่า เื้อหาเราจะดูอะไรดีใครรู้ทันหนึ่งรู้ทันพฤติกรรมผู้หิงเนี่ยจะทําะตอนนี้ oh <my> านาหาหรู้ว่าอถ้าหารู้ว่าหาเนี่ยถือว่าถูกต้องแล้วอฏิบัติเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าต้องไปหาให้เจอแล้วไปนั่นงเั้าหอัไว้ไม่ใช่ที่ราแข็เนี่ยต้องวางอะไรอย่าง้ยเทจอนมัน เรื่มื่มเหมืนแบนีแต่เดี๋ยวมันก็มาอี่ะใปัวซนไเดนเข้าไอที่ซึมซึที่แบบมันมันเหมือนมันขอบขางไปเพื่อไ้จ้างมันไหลเข้าไปใช่มันน้ำน่เลน้เล้านงดือมเดี๋ยไปนั่งเฝ้าไว้ก็ต้องสึมสค่ะที่ไปเฝ้าสึออกมาเนี่เอามากระทบถัดไปค่ะขึ้น หนูรู้สึกว่าหนูแบบเหนียวมากเลยเกาะมือเหนียวมากเออดีที่เห็นนะเหนียวมันมันเห็นเองว่าต่อแล้วเหนื่อยไม่เลิกแต่มันต้องหดแรงใช่ไหมตอนนี้มันยังไม่หดแรงเย็ไม่ยังแรงยังเหลือนี่ว่ามันมันเดือุกไม่พอนี่คนกินมันเรียนรู้นะจิตใจมันเรียนรู้ว่าถ้ามันลงมือทําแล้วมันเดือดรุกมันเรียนไป